ภิกษุรูปหนึ่งกราบทูลถามเรื่องอุปทานนัขันหรือขันที่ยึดถือห้าอย่างพระผู้มีพระภาคตรัสตอบโดยใจความคือหนึ่งขันห้ามีความพอใจเป็นมูล 2. อุปทานกับอุปทานัขันห้าเป็นอันเดียวกันอุปทานไม่อื่นจากอุปทานัขันห้าคือความกำหนัด เพราะพอใจในอุปทานขันห้าจัดเป็นอุปาทาน 3. มีความต่างกันแห่งความกำหนัดเพราะพอใจในอุปทานขันห้าเช่นความคิดปรารถนาให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ในอนาคต 4. คําว่าขันหมายถึงขันห้าทั้ง3การทั้งภายในภายนอกหยาบละเอียด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 ไม่ถือมั่นด้วยอุปาทานสำเร็จเป็นพระอรหันต์